พระเยซเจ้าท่านอยู่กับความจริงพราเยซูเจ้าท่านอยู่กับความจริงความจริงที่ว่าหมายถึงการกระทําของท่านท่านทำอย่างไรท่านรับชราบรับรู้และเข้าใจและก็ยอมรับภาวะที่ท่านมีที่ท่านเป็นท่านไม่ได้ถือความสําคัญกับความนึกความคิดความเห็นของคนอื่นความนึกความคิดของคนอื่นเห็อย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่นก็ได้ เข้าใจหนงพูดอย่างหนึ่งก็ได้คือสามารถพูดผิดได้พูดถูกได้พูดใส่ร้ายป้ายสีก็ได้เนื่องจากปากของคนนั้นเป็นไปตามวิจัยรามัดพูดได้สรรพัตย์พราะฉะนั้ติก็ตามคำชมก็ตามยังถือว่าเป็นส่วนข้างนอกเป็นส่วนภายนอกแต่สิิงที่ท่านดูท่านเห็นเป็นไปจาก็คือท่านรู้ภาวะของท่านท่านอยู่ยังไงท่านทํำยังไงท่านมียังไงท่านเป็นยังไง การกระทําอย่างไงการกระทํำของท่านเนี่ยเป็นอัไเป็นธรรมยังไงกิจการการแสดงของอนเป็นอย่างไรท่านรู้ท่านเข้าใจท่านปร่งใจท่านยอมรับตามภาวะที่ท่านท่านเข้าใจของท่านโดยตลอดไม่จำเป็นที่ต้องมีใครมาครับภาระผิชอบแทนท่านเหมือนอย่างที่ลูกตาท่านพูดเน่ยเขาจะพูดจำปิติชมอะไรก็ตามพูดติอะาพูดชมอตามีน้ําหนักเท่ากัน เขารื่องเหล่านี้เป็นมันเป็นเรื่องโลกธรรมเรืองโลกธรรมคําว่าเรื่องโลกธรรมคือเรื่องผิวเผินของชาวบ้านทั่วไปมันไม่ใช่เรื่องของสัจธรรมแต่สําหรับที่ท่านผ่านถึงวุ่คุณทำชั้นต่างๆไปได้นั้นท่านผ่านไปได้ด้วยคุณธรรมท่านผ่านไปได้ด้วยสัจธรรมเพราะว่าสัจธรรมก็คือความจริงความจริงนี่เรารู้เราทราบเราเข้าใจได้โดยตัวตัวเราเอง เนื่องจากว่าเหตุเกิดขึ้นที่ตัวเราผลประจักษที่ตัวเราไม่จำเป็นจะต้องมีใครมามารูงมาเข้าใจบอกว่าเออเหตุนั้นไม่ใช่เหตุผลอันนี้ไม่ใช่จากเหตุอันนั้นผลอันนั้นไม่ใช่จากเหตุอันนี้เขาจะปฏิเสธยังไงก็ตามท่านเห็นเ ห, นเหตุของท่านท่านเห็นผลของท่านแท่านรับตามนั้นเหมือนกับว่าทับทราบเฉยๆได้ยินได้ข่าวมาแล้วรับทราบเฉยๆประจิจท่านจึงจว่าเหมือนกับน้ำกลิ่มบนใบบัว ไม่สามารถทําให้สิทธใจเราทัานอ่อนไหวไปตามคำตีนั้นอ่อนไหวไปตามคํำชมนั้นเหมือนอย่างน้ํากลิ้งบนใบบัวมันสามารถซึมซาบซับลงไปในใบบัวนั้นได้ใบบัวใบบัวเราก็ดูสิหยดน้ําที่มีบนใบตัวกลิ้งไปกลิ้งมาไม่ซึมงไปในใบบัวชั้นใดความจริงที่มีประจับอยู่ในสิทธใจนั้ก็คือจริงประจักษ์อยู่อย่างนั้นแหละพูดมาทูล แต่ถ้าพูดถูกพูดชมโดยความเป็นธรรมนี้ท่านมีจิตน้องอันหมดหนานของเขาเพื่ที่ของเขามีมีสักด์มีทรรมมีเหตุมีผลแต่ถ้าพูดพูดบิดพูดเบี้ยวพูดตำหนิติชมอย่างที่ที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกกับธรรมท่านก็รับทราบรับทราบและเป็นอื่นนะเป็นอื่นไม่ได้ยึดมาเป็นสัญญาไม่ได้ยึดมาเป็นอาถรรพ์แต่ว่า ทั้งเหตดติดก็ตามทั้งเหตุชมก็ตามบางที่ติดบางที่ชมผิดช่องผิดท่านกระซ้าบอกผิดท่านกระท้าบอกผิดท่านจะอาจจะมองไปในแง่ว่าต้นตออาจจะมิอาจจะไม่รยวเมือนเราพูดเมือ่อเราพูดเอาอพูดเอาใจไปอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าพูดถ้ติดถ้าพูดชมถูกต้องตามความเป็นจริงตามอตามคําที่ท่านมีที่ท่านเป็น ท่านก็เห็นว่าคนอื ảo, m, m, ่นเห็นเหตุเห็นผลแต่ถ้าชมไม่เกินไปตามความจริงมันก็อาจจะไม่ประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลหรอกอาจจะมีทิ้งเคลื่อนมาอาจจะมีทิ้แฝงมาอย่างเนี้ยค้าติไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะติมาท่านก็ทราบกันแล้วทราบแล้วว่าเพูดไม่จริงพูดไม่ตรงไม่ตรงตามหลักความเป็นจริงจี่งเพรท่านทำไม่ได้ครับทั้งติท่านก็ไม่รับอยู่แล้วทั้งชมท่านก็ไม่รับอยู่ี่ยปลอยไว้เป็นการกล่า แต่สำหรับคนตีนั้นเนี่ยนั่นจะย้อนไปในเนี้ตัวอูเป็นบาปเป็นอกุศลบ่งบองกว่าผิทิ้ไม่มีเหตุไม่มีผลรอให้กิเหลสยุเรียนก็ขคขุนทุกขยักทุกวันทุ ก, น, ทก น, ทนาทีความมุ่งหมายธรรมศร้าของคำพูดควา ม, มประสงค์ธรรมะเศร้าเราก็มุ่งหมาอะไรเราพูดเพื่ออะไรประสงค์อะไรมันตอบตังหมดอะไรแต่สิ่งที่เราน่ากลัวที่สุดก็ดคือผู้ที่ชมมีเหตุมีผลนั้นเอง เขาได้บุญได้บุญส่วนเพราะทำให้เขาเกิดความเริ่มใช้สัทธาที่ดีที่ใจของเขาเหมันอย่างท่านพาเอาทองเพื่อเข้าคลังหวงเข้าคราญหลวงเพื่อขอโทประโยชน์ของชาติของบ้านเมืองประโยชน์ของชาติของบ้านเมืองก็เป็นผลีย้อนสะท้อนมาที่เรารวมไปถึงผลความดีผลความได้ความเสียทางด้านเศรษฐกิจผลบ้านของเมืองท่านเห็นท่านมองเห็นผลท่านก็ทําไปแล้วก็ คนที่เขามีความเรื่องสายศรัทธาแล้วก็ทำบุญให้ท่านอยากจะถวาจัตุปัจจัยเป็นเงินเปินทองคำเงินลาบท่านก็ทราบดีแก่ใจว่าท่านเป็นเนื้อหนาบุญเป็นเนื้อนาบุญให้เขาเป็นเหตุให้เกิดการได้สมครอบเขาเนื่องจากว่าทําบุญกับเนื้อนาบุญทําบุญกับทรัพย์สินในบุคคลท่านก็เลยลอยลอยยินดีกับเขาลอยพอใจกับเขา ดีไม่ดีก็พร้อยอนุโมทนาไปด้วยกับเขาเนืน่องจากว่าจิตเขาเป็นเป็นบุญเป็นผกุศมแต่ถ้าผู้ที่ทำบุญี่ชมน้อยไม่มีเหรีที่มีคนนั้นก็ไมถึงทราบถึงจิตใจของทแต่ท่านก็จะสลดหวดภูมท่านจะสลดหวดภูมเพราะว่าท่านรู้ว่าอันนี้เป็นอกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นจากการนำศีลของเขาเกิดขึ้นจากคาพูดของเขา หรือก่อนตื่นจากการเอาไปตีพิมพ์เป็นหนังสือไปอัดเป็นเสีออยงเป็นอะไรก็ตามแล่มันเป็นเรื่องของอกุศลทังนั้นและอกุศลคั้งนี้เขาเป็นคนสร้างเีงและอกุศลรานนี้จะไปไหนมันก็จะต้องไปปรากฏที่เหมือนของผู้สร้างเองนั่นแหละเหตุเกิดที่นั่นผลก็ต้องปรากฏที่นั่นเป็นบาปเป็นกรรมท่านจะสรบหดหูสลบ ส, สามเวท กับจิตใจของคนที่ขาดทหตขาดผลขาดความสํำนึกผิดชอบชัวดีหลงเพลินไปกับอำนาจของกิเลสฝ่ายตาำยุคใหญ่ให้จิตใจบิดเบี้ยวถึงแม้ว่าท่านแสดงอัดแสดงทำไปตามเหตตามผลโดยข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเนื้ออัดเนื้อธทำแปรปราอัศจรรย์ขนาดไหนก็ตาม เขาไม่สามารถที่จะเอาสติเอาปัญญานั้นด้วยความมืดบอดด้วยความพานของเขามาพิจรารณาสิ่งที่เป็นแปลกประหลาดใจอันเป็นเนื้อดและธรรมีน้อมนําไปพิพจารณาและก็น้อมนำเอาไปประพุทธปฏิปันได้กลายเป็นว่าเห็นทอทงทั้งแท่งเห็นของจริงเป็นของปลอมแล้วก็หลงสมัมผัสแบบของปลอมเป็นของจริงกิจยาที่แสดงออกมาทางกายและตา ที่จะที่แสดงอมาทามาจากก็ตามจะเจตนาแสดงเหมือนอย่างเอาแสดงนั้นก็ตามจะไม่เจตนาแสดงแบบนั้นก็ตามแต่ว่าผลที่ตามมาความประสงค์ที่ตามมาความต้องการที่ตามมาย่อมเป็นไปตามกลตัมวตามายาต่างๆเหล่านั้นผลที่จะต้องได้ตามนั้นไม่ใช่แกล้งพูดแลวผลจะไม่ได้ตามที่ที่เจะขอแกล้ง เพราะว่าการที่กระทําลงไปนั้นเป็นเหตุผลที่จะตามมาก็ต้องเป็นไปนตามตามนั้นมันจะไม่ไปไหนมันจะต้องไปตามต้องเหตุนั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวอบายภูมิไตรลิชา้นรกอสุรกายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเปรรยบกับนรกอสุ ร, รกายอาวีย์จีมหานรกโลกที่สุด แล้วการที่มาเล่่ออกไฟเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียงมากมั น, นมันเป็นการหลงกลในคุ้มเหนืผลกายได้ในปัจจุบันไม่คุ้มกับโทษของเวรของภัยของกรรมที่จะขอไดแสดงออกนีไม่ดีก็าลงเพลินไปกับคำยุยงสง่งเสริมของคนบงังกุแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือของเขาแต่จะขอปล่อยลงจบจะถึงชาต ศา ส, สนาใดก็ตามเพราะเรื่องของบุญเรื่องของบาปนั้นมันไม่ใช่เรื่องของศาสนาใดเรื่องของบุญของบาปนั้นมันเป็นเรื่องของหลักธรรมชาติเนื่องจากว่าเราไมสูดได้สองอย่างว่าอะไรคือบาปอะไรคือบุญบาปคือเราทำลงไปแล้วเนี่ยตัวเองก็ได้รับความเดือดร้อนคนอื่นของเรายได้รับความเดือดร้อนได้รับความเสียหายนั่นแหละ คือบาปตัวเองก็ได้รับความเหลือดร้อนทําลงไปแล้วประกอบองไปแล้วประกอบกรรมนี้นองไปแล้วตัวเองก็เลจะรับความเหลือดร้อนคนอื quote, ่นก็พอได้รับความเหลือดร้อนและรับความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามดวงตาเนี่ยท่านไม่ได้รับความเหลือดร้อนเพราะท่านค้นไปแล้วแต่เขาเป็นเหตุให้ลูกศิลป์ลูกหาได้รับความเหลือดร้อนไม่มีไม่พอใจไม่น่าจะมีไม่น่ายจะเป็นไม่น่าจะเกิด เกิดความสลดโกรธโหมอย่างให้หมดจิตหมดใจเขาเรียกว่าเพราะมาดึงยอดของเถดีเข้าไปเหยียบย่ำทำลายถือว่าเป็นการทําลายของหัวใจของทุกสิลูทุกหาผู้ที่เขาเล่าถึงในผู้ที่มีมีธรรมในผู้ที่มีบุนมีคนคือผู้ซึ่งเป็นครูอาจารย์เนี่ยมันเป็นรื่องที่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติ เราจะเอาศาสนาไหนมาบัญญัติยังไงก็ตามแต่พระเจ้าท่านทรงบัญญัติขึ้นมาเนี่ยท่านบนัญญัติตา ม, มบัญญัติตามหลักธรรมชาติบาปคือสิ่งที่ประกอบลงไปแล้วได้รับความก ร, ร้อนทั้งตัวเองได้รับความก ร, ร้อนทั้งคนอื่นได้รับความเสียหายทั้งตัวเองได้รับความเสียหายทั้งคนอื่นอันนี้คือบาปผลตามมาคือความทุกข์ความยากความลาบากกับตัวเองที่จะเป็นผู้ได้รับบาป รับผลกรรมในโอกาสต่อไปแต่ผู้ที่เป็นคู่กรณีเช่นอย่างานี้ท่านไม่มีภัญะที่เก็บเก็บแล้วมาแล้วกับผิวมาแล้วกับผิวไปไม่สามารถซึมซาบเข้าไปถึงจิตใจของท่านได้กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเหมือนกับเอาไข่ไม่ชนกับหินก็มีแต่เล็กกับเล็อย่างเดียว เป็นการทำงาลหน่อเลื้อเชื้อชาติท้องความเป็นมนุษย์ของล่ออันนี้คือบัตที่นี้บุญบุญคือสิ่งที่ประกอบนทำแล้วตัวเองก็ได้รับความสุขและรับความเจริญเมื่อทํากับคนอื่นคนอื่นก็ปลได้รับความสุขได้รับความรื่นปิติความยินดีความดีอกความดีัยคลอได้รับความเจริญคือทํำแล้วตัวเองก็ได้รับผลเป็นความสุขความเจริญคนอื่นก็ปล่อยได้รับความ สุดความเฉยตัวเองก็ไปได้รับความอิ่มอกอิ่มใจอิ่มพอใจคนอื่นก็ไปได้รับความสะดวกสบายจากเราด้วยเหตุนี้ท่านเรียกว่าบุญบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นคำว่าบุญคำว่าบาปไม่มีใครบัญญัติเกิดขึ้นจากเหตุของมันเองเกิดขึ้นจากผลของมันเองพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติท่านบัญญัติตามธรรมชาติที่มันมีมันเป็นของมันเอง ถ้ามันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนกับคําสอนของลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาอาจจะบรญยายไปยังไงก็ได้เขาอาจจะบรญยายว่าฆ่าคนได้บุญก็ได้อาจจะบัญญัติว่าตายแล้วสูญก็ได้าอาจจะบัญญัติว่าเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวก็ได้แต่มันไม่ตรงตมามความเป็นจริงด้วยเหยกว่าสติปัญญาติดตัาง ม, มืหมอหยอดอยู่แค่นั้น มีความรู้มีความเข้าใจแค่นั้นแต่หลักเหตุผลหลักจริยธรรมขั้นพื้นบางอย่างที่เป็นสัจจะที่เขาถือมันก็อาจจะได้ผลจากการที่ถือถือซึ่งเป็นสัจจะอย่างไดอย่างหนึ่งแต่ด้ยเหตุที่ไม่ประ ก, กอบไปได้วยสัจธรรมมันเป็นสัจจะก็จริงอยู่แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่สัจธรรมเขาเรีว่าถึงความสัต์คือความสัต์ จะอยาตั้งอย่างนึ่แล้วก็ถืออย่างนี้ไปเรื่อยแต่มันไม่ไตรงเมื่อหาทั้งสองฝ่ายคือใส่ใจด้วยแล้วก็ใส่ใจธรรมด้วยมันเข้ากันไมได้มันไม่เข้ากันถึงคณะก็ตามเื่อเห็นที่เขาถือใส่ใจเขาก็ย่อมได้ได้ผลคือได้บุญได้บุญจากการคือใส่ใจอันนี้เราเป็นเหตุให้เขาได้บุญได้รับความรู้ได้รับความรู้ใจได้รับแสงสว่าง ห้อยนิดโดยที่จะมาเทียบกันเาเทียบไมได้เทียบกับมีญาตภาษาภพพระยาชาวูเทียบกันไม่ได้เรื่องต่างๆล่านี้เราพิจารณาแล้วน่ากลัวน่ากลัวมากเราฟังเอาไว้เป็นข้อติตัวอย่างเพื่อเข็ดเพื่อหลับเพื่อยำเพื่อเกรงคือเกรงกลัวพยาญาติท่านอยู่กับสัจธรรมท่านอยู่กับสัจจะคือความเปจริงกิริยานี่ท่านแสดงออกเลย มันเป็นการปลองใจไปกับหลักธรรมชาติไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะขบจะฉันจะอะไรก็ตามแต่อารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโพธตภะอะไรต่างๆทั้งหมดทีนั้นเป็นสัจจะทั้งหมดคําพูดคาจาที่ท่านเอามาพูดแต่ละคําต่ละคำแต่ะละคำถือว่ามีสัจจะมีสิ่งอ้างอิงทั้งหมดคําว่ามีสิ่งอ้างอิงก็คือมีเหตุทั้งหมด ทั้งผู้ตามเหตุทั้งหมดมีเหตุทั้งหมดมีผลทั้งหมดแต่ว่าผู้รู้ที่บริสุทธิ์พ้นไปแล้วเไม่มีสิ่งใดที่จะเข้าไปอาจเอื้อมได้ไม่มีอะไรที่จะไปแปดเปลี่ยนไม่มีอะไรที่จะไปพลุกคพลอยแปดเปืี่ยนและปนเปลี่ยนได้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์พูดถ론อยู่อย่างนั้นภาวะข้างนอกภาวะของโลกก็เป็นอยู่แบบโลกแต่ ผู้ที่ท่านมีมุ่งถึงคนเลยนะท่านพ้นไปจากมอกพ้นไปจากสมมติทั้งหลายทั้งปวกท่านไม่ได้ติดอยู่ ก, กับคำสมมติต่างๆที่เราใช้กันท่านอยู่กับสัจจะท่านอยู่กับความจริงทุกทิฏยาบดยื น, นอยูอ่แน่นอนปุ่นเห็นที่เขาไม่รู้เขาไม่ค่อยใจเห็นเกียรติผลประโยชน์อา้าหิมะก็พูดมาที่งหมเพื่อตัวเองหูหนวกตามบอดแล้ว ทำให้คนอื่นพลอยหูงหงอกตาบอดตัวเองน่องจงแทนพลอยทาให้คนอื่นนองจงไปด้วยตัวเองจะตกนรกหมกใหม่แล้วพลอยดยคนหนึ่งมาคนหนีงให้ตกนรกหมกใหม่ไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่นา้ากลัวมากเพราะฉะนั้นเราได้เห็นในข่าวเรื่งงองไรตางๆให้มีหดให้มีเหตุผลเป็นของตัวเอง พิ่ารณาปรองลมในสัจจะความจริงเป็นอย่างไรเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้เราได้ยินได้ฟังใหมยย่ยไงเราศึกษาใหม่ ย, ยังไงเราเข้าใจยังไงเราถือหลักปฏิบัติยังไงไม่ใช่ว่าจิตใจล่องลอยจิตใจที่ยังเหมือนโลกในโลกธรรมแล้มีจิตใจที่ล่องลอยเพราะฉะนั้นโลกธรรมทา่านที่พูดเอาไว้มีสุขมีสุขหรืองมีพบมีทุตหรืองมีสุข นิทานิมาตเสื่มสืมก็มีธามีลาบเดี๋ยวเสื่อมลาบเสื่อมลาบก็มีลาบมีลาบเสื่อมลาบมีอับเสื่อมลาบก็มีลาบมีสุขก็มีทุกข์มีทุกข์ก็มีสุขสับปนกันอยูอย่นี้มิธาตุเดี๋ยเสื่อมเสื่อยก็นทธาตหลอกทำไปมีลาบหนึ่งมีลาบหนึ่งมียอดหนึ่งไม่มียอดหนึ่งมีสุขหนึ่งมีทุกข์หนึ่ง เนี่นธาหนึ่งสาวเสื่อหนึ่งนี่คือโลกธรรมคําว่าโลกธรรมก็คือเป็นไปตามอำนาของโลกเป็นไปตามสมของโลกจิตใจของเราจิตใจของเร า, าอยู่ในทา่านั้นนี้มันก็เหมือนกับค้อนเม็ดลอยไ ป, ลอ ย, ไปลอยมาลอยมาลอยไปตัวกะที่จิตมันจะย่ังเข้าถึงจัจับเนื้อหาที่แท้จิงคือเหตุคือผลที่แท้จริงเข้าถึงได้ยาก แท่ที่จะถือเรื่องเหตุเรื่องผลเป็นเรื่องสัมพันธเอาเรื่องคนเป็นใหญ่เอาเรื่องคำพูดเป็นใหญ่เอาเรื่องเสียงเป็นใหญ่เอาเรื่องลับล่าเรื่องยอดเรื่องเสียงเรื่องเกียจกุลเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลาเป็นใหญ่เอาเรื่องสมองเป็นใหญ่เอาเรื่องเสกสรรปั้นแต่งเป็นใหญ่เรื่องเหตุผลแท้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ เหตผลที่เราสามารถสร้างได้เราสามารถทําได้งั้นเขาสามารถสร้างหลักฐาน เ, เพื่อมัดคนเอาคนติดคุกก็ได้เพราะอเพราะเหตุผลเหตุผลนั้นเหตุผลมันไม่ใช่เหตุผลของสัจธรรมอย่างแท้จริงถ้าเราจะเทียบก็ได้แค่ยุติธรรมยุติธรรมยุติธรรมก็คือพิจารณาไปตามหลักเหตุผลที่เขาสร้างขึ้นมา สมเหตุสมผลแล้วก็ต vale ัดกินไปตามไอ้ผู้หนึ่งสร้างเหตุสร้างผลยังไงไอ้ผูหนึ่งไปพิจารณาตามเหตุผลที่สร้างเหตุผลที่ทํานี้เช่นอย่างคนที่ทําผิดมาแล้วสามารถสร้างเหยุสร้างผลเพื่อเอาตัวรอดก็ได้แล้วเขียนเรื่องเขียนราวไปให้อีกคนหนึ่งดูให้อีกคนหนึ่งพิจารณาเขาพิจารณาไปแล้วก็สมเหตุสมผลเนี่ย่ด้วยสัจจะที่แท้จริงคนนี้ ทำผิดจริงแต่สามารถสร้างเรื่องสร้างราวให้คนให้คนผิดไนดะ้คือไม่ใช่เรื่องปฏิบัติธรแต่ถ้าเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าเป็นเรื่องของการศึกษาธรรมเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นอะไรจริงก็คือว่าจริงอะไรไม่จริงก็คือว่าไม่จริงถ้าปรากฏชัดเกณฑ์ที่ใจพวเราเราก็ทราบนี้แล้วก็ดูวอาสิความจริงเรื่องปรากฏอย่างไร ความจรงอยู่ในใจของเราเราต้องมันูติเช่นอ ย, ย่างสมมติเลยราคาเกิดในในจิตของเรามันเกิดในจิตซะก่อนล่ะก่อนที่มันจะมาําเริ่มปฏิกริยันนี้เป็นสัจจะอย่างหนึ่งนะเป็นสัจจะฝ่ายพุทธไทยเป็นสัจจะในหลังของอริยสัจสิราคาเกิดที่จิตเป็นมีเหตุมีผลราคาก่อนที่มันจะเกิดในจิตจิตมากนันแล้วคิดซะก่อน นึกครุ่งนึกเสียงนึกอายที่ี่ดีๆชอบใจมันเกิดกำหนักขึ้นมาเกิดอภะเกิดอินดีท่านึกถึงเพื่อนเรงกันข้ามผู้ชายเนี่ยึกถึงผู้หญิงนึกถึงผู้ชายก็นึกถึงสิ่งที่มันชอบใจเนยนึกถึงขึ้นมาเสร็จแล้วก็มันเป็นมโนภาพเป็นมโนภาพอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กิเลมันเสกตามมั่นแต่แใ่เราในเราที่ก็ะสักใจนะอันนี้เป็นเหตุ มีคุณสัตว์จะทำโดยโดยทานะเป็นเห็นแทรกเข้ามาที่จจากนั้นก็ที่แรกกเข้ามาพอแปะเข้ามาเสร็จแล้วก็มีการสื่อช่วงต่อไปมีการว่าดภาพเป็นรูปอย่างนั้นเป็นสีอย่างนั้นเป็นเสียงอย่งั้นแล้วก็มีการสัมผัสมีการเกี่ยวข้องกันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทาําให้เกิดกํามหนานทาให้เกิดการมราคะภายจิต เสร็จ แ, แล้วก็ทลายออกมาทิศกายเกิดกามาราคะเกิดความกำหนัดถึงกายนี่เราพูดอย่างง่ของสัจจะโดยธรรมเราย้อนไปมันมีเหตุเหตุเข้ามานั้นเกิดที่จิตเหตเกิดที่จิตย้อนไปที่จิตย้อนไปที่จิตจิตเป็นเพียงที่เป็นเพียงสิ่งมาสแสดงเป็นเพียงสิ่งมาสแสดงของกิเลสท่านั้นอเองกิเลสก็คือสิที่เคลือ่อนแผลมากับจิต กิเลไม่ใช่กิจกิเลสเป็นสิ่งที่เคลือ่อนแงมาตับกิเป็นความรู้ชนิดหนึ่งเป็นคุณสมบัติชนิดหนึ่งของกิที่ยังไม่บริสุทธิ์เคลือ่อนแฝงมาตับกิจทงกิจเกิดเลือนขึ้นมาพเพราะลืนขึ้นมาจะชอบเกิดการมราคะขึ้นมามีคว า, การมรกำหนัดผู้ปฏิบัติท่านั้นทราบได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ทราบได้แต่ถ้าเรา ผู้ที่ไม่ปฏิบัติทราบได้นอกจากทราบได้กบทนต่อ ค, ความรากราไม่ได้ก็หาเรื่องตอบสนองให้กับมันหาเอตอบสนองให้กับมันเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้จึ่งอยู่มันเลยยากต้องมีผู้ครองต้องมีผู้ครองกันอาหารอันโอชะของบุรุษที่จะเรียกว่าย่อองเก่าก็คือสตรีอาหารอันโอชะ ข, ข, ของสตรี ที่รยว่ายอดของเก่าก็คือบุตรยาอื่นเป็นของไม่พอชั้นสอยพื้นพื้นธรรมดาแต่ทีนี้กรณีท่านถว่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องยอดของเก่าอันแหญ่ที่เคลื่อนแสงหมาคืออะไยก็คือความเชื่อมองผคิดมันเคลื่อบแปสงหมักที่เรียกว่าเยื่อความยาก พอเกิดขึ้นมาเกิดความอยากอันนี้คือสัจจคติข้างในนี่นะสาเหตุของมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเล่าเล่าเลาเลากายก่อนที่จะเกิดขึ้นมาเกิดที่จิตก่อนจิตก่อนก่อนที่จะเกิดขึ้นมาเพราะเนื่องจากจิตไม่พอใจกิระแสแท้เข้ามาที่จิตกระแสแเข้ามาที่จิตจิตกําเริบก่อนกำเริบเสร็จแล้วก็มากระทำกายนั่นคือเหตุเกิดก่อนตายคือเหตุตายคือผล อันนี้คือสัจจกรรมสิ่งเานี้เราทราบที่ ต, ตัวเราอคนเราจะาทราบได้นอกจากคนที่มีภาระจิตถึงจะสามารถทราบได้อย่างพระพุทธเจ้าเขาถาบกที่มีภาระจิตมีธาติมีกิจดาทางจิต้ขาสามารถทราบได้ราคาจริงหรือไม่จริงเราไปรอดูสิอันนี้คือสัจจของธรรมนะ สัจจะอักธรรมทำธรรมสัจจะนี่คือสัจจะธรรมเขาหลับโดยแท้จริงนะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ยุติตธรรมถ้าเป็นยุตธิตธรรมเป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายกระบวนการของกฎหมายทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาจะต้องมา่นพิจรารณ า, า, า, ามเหตุผลเหตุผลตั้งสาเรานั้นเนี่เกิดขึ้นจากคนสร้างขึ้นมาอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลย ไม่ใช่ก้อนทีจริง้าขึ้นมาเรื่องนี้เรายกตัวอย่างเช่นเช่นอย่างร้องาอันเรื่อง่งนายมริกาณนะนายมริกาณก็คือเขาเยระนเจระนเพชรเยระไนแก้วที่นี้มีวันมีคนเอาแก้วของพระราชาไให้เยระไนในช่างนะนั่นก็มือถการทงาอาหารอยู่เขาเลยเอาไปและเอาม ที่เปืนเนยเลือดมจับแก้วแล้วไปวางไว้วางไว้เสร็จแล้วก็ไปทำอาหารต่อลืมคิดไปว่าที่บ้านเนี้รถเครน่องรถเครียนมันไปเห็นแก้วเปื่อยเลือดมันก็เลยมากลืนแก้วนะ่รเราะน้นในขณะนั้นก็พระอาหาันพระอาหารตนี่ยท่านไปบ้านของนายช่างแก้วประจาประฉันทุกวันประฉันทุกวันทีนี้พอใน ชางแเนี่ยออกมาจาับครูออกมาไม่เห็นไม่เห็นแก้วก็ถาว่าฮถาว่าพระทหานนั้นเอาแก้วมาบิดมาบังคับมาอะไรทุกอย่างให้่านรับสารภาพท่านไม่ปากท่านปากไม่ไหนท่านไม่ปากเพราะว่าถ้าแก้วหายเนี่ก็เป็นเหตนว่าเขานี่จะต้องไปรับโทษทั้งครูทั้งเบียดแต่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ข้างในห้องยังไงตอนนั้น เมียไม่ได้ขอกมาเห็นที่พอมาแล้วมาไม่เห็นแก้วนอกเรียนมันกลืนเข้าไปแล้วคลืนเข้าไปแล้วอยู่ในท้องแล้วที่เพื่อนเลยมาบีบบังคับพูดบังคับให้พระอาารท่านยอมรับท่านไม่ยอมรับท่านก็ไม่ปัดในสุดเราเชือกมามัดหัวท่านก็บีบจนเลือดทะลักออกทางหู้องปากงท่าน เพื่อท่านอยนะอมรับท่านก็ไม่ยอมรับพอด้าท่านจะรับออกมานกกระเรียนดนเลือดมันก็มาจิกกินเลือดโมอเตะนกกัะเรียนในช่างาแถวนี่ยโมโหเตะนกกระเรียนนกกเรียนถูกท่าไหนมารู้เลยดินนแล้วแล้วตายตอนนั้นที้ท่านจเห็นว่าคือทีแรกถ้าท่านจะบอกว่านกกระเรียนมันกลืนเข้าไปกลัเขาจะไปตีนกกระเรียนตายท่านต้องิดเนะย ท่านีหนึ่นาก็ติดเขาเติดแล้วตายเขาเติดเองท่านไม่ได้บอกท่านไม่ได้ว่าตำานิถามว่านกกรเรียนตายหือยางเขาก็เอาให้ดูก็ทราานกกรเรียนตายแล้วท่านก็ไม่บอกตามความคิดาโอ้ตำานิไม่ได้เอาแก้วนกกรเรียนมันกลืนเข้าไปจนในท้องเขาก็าเอานอกเรียนไปผ่านูไปเห็นแก้วในในใ น, ในท้องนอกกรเรียนแน่นี่คืออะไร คือความนึกความคิดความคาดความเดารู้เหตุรูเหตุความนความคิดความคาดความเดาตามสัญญาตานี้แหละมันจะเริ่มเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยไม่แทรกเข้ามาไหนว่าเราหรือเราที่เราทําได้การที่เราจะไปสร้างหลักฐานเพี้เราก็สามารถสร้างได้เราสามารถทำได้ความนึกความคิดของผู้บุญชนเป็นอย่างนี้ไม่ว่าเราไม่ว่าท่าน เพราะนั้น่งปฏิบัติเราเนี่ยเราได้ยินอะไรให้ฟังให้ชัดดูอะไรดูให้ชัดเมื่อเห็นมีสิ่ใดผิดหูผิดตาผิดปกติอย่าเป็นข้าอย่าเป็นดาวอย่าเป็นไม้โดยที่ไปนทษเมื่อโดยที่เป็โทษที่โดยที่ไปโทษอะไรแต่เราผัดเรื่องแต่ว่าเราไม่ทราบสาเหตุต้นตอที่แ้จริเห็นจริงอย่างไรเราพูดจริงจากนั้น เห็นไม่ไม่เห็นเห็นก็รู้ว่าเห็ไม่เห็นก็รู้ว่าไม่เห็นอันนี้เือว่าเืียว่าเป็นคนที่มีมีสัตวมีสัตว์มีสัจจะเป็นสัจจะธรรมเป็นสัจจะธรรมอนี้เรายกตัวอย่างมาเยัเรื่องราคาโทรศัพทกันเดียวกันโทรศัพท์กันอย่างนายช่างแก้วเป็นนกกระเรียนใ่ะหโทษศะก็เพราะอะไรก็เพราะย่ามาคิ คิดผิดอะไรใชไหมคิดว่าถ้าอาจารย์นี่เอาพอคิดท่านเอาเอถามท่านทำไมยอมรับก็ต้องมาฆ่ให้ท่านราไปทำจนเลือท่านทรับออกในสุ้องกเกรียนมากิน 7, กเจนกุเรียนตายท่านบอกน้องกเกรียนปืนก็ไปพาเห็นก็เลยมาขอโทษขออภัยท่านท่านตอบว่าตมาไม่มีโทษคุณไม่มีโทษอันนี้เป็นโทษของบัตเต คือในวับของสารนี่จะต้องมีอ ย, ง อ, ย อ, ยอยู่อย่างนี้ตราบใดที่เรามีสภาพรางกายอยูอย่างนี้ภาวะแบบนี้ต้องมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แม้แต่ผู้ที่ปฏิบัติท่านกิดให้บีิสุทธิุทธโภคอะไรนเนี่ยท่านก็ยังอยู่ในลัชสนี้กรนี้ที่จะล้วนรา ม, มาถึงเหมือนอยา ง, องตาเนี่ยถูกก็กล่าวใส่ไร้ท่านสารพัดที่เขาสมาัครุูดได้ว่าได้ เพราะอะไรเพราะว่าสงสารมี้อยู่อย่างนี้เป็นอย่งนี้ความรู้ความคิดความคาดความเดาของจิตของคนที่มีอิเล็มันนึกอย่างนี้มันคิดอย่างนี้มันค่าอย่างนี้มันเดาอย่างนี้ก็มันก็ทําผิดอยู่อย่างนี้ทําท่ษให้กับเจ้าของอยู่อย่างนี้บางครั้งรู้ว่าผิดรู้ว่าโทษบางทีก็ทับสิบนเนี่เข็นแก่สิบนั่นน้อย แต่ว่ากรรมยิ่งใหญ่มหาศาลที่คอยหลักล้า ง, งหน้ากรรมบาปอากุศลต่างๆีตามมาเรื่อนาที่หลัเวลาความทุกข์ความเดือดร้อนคนผ่านถึงรู้สึก ต, ตัวก็มีโอกาสที่จะขี้ผึ้รณานและแก้ไขตัวนนเองได้ มีเป uhm, ็นเรื่องทีเราควรสมมติควรชื่นชมนว่ากราพะเกิดขึ้นในใจของเราเราทราบมีเหตุมีผลในนั้นโพรศัพท์เกิดขึ้นในใจของเราเราทราบมีเหตุมีผลในนั้นทั้งโทรศททั้งโมหะมาจากไหนทั้งโทรศัท์ราพะโทรศัท์ิจฉาอิสยาห์มาจากไหนมาจากโมหะความหลงความมืดมืดมิดมืดมัวมืดอกาศ ไม่มีแสงสว่างคือสติคือปัญญาพิจารณาใมเวื่อไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีพิจารณาเหมือนกับเราไปมองในที่มืเรามองไปแล้วไม่เห็นอะไรแต่ในในขณะเดียันควาหนามมีเต็มับแต่เรามองไม่เห็นเนื่องเนื่องจากอะไรเหตุผลของมันมันมีอยู่แต่เราไม่มีสติเราไม่มีปัญญาที่จะมองเหตุผลนั้นแล้วก็รู้สาเหตุ ข, ของมันโอเหตุเกิดนี้ ต้นต่อเกิดออนี้เหตุเกิดจากนี้ถึงเกิดผลอันเนี้ย น, นี่เราทราบได้เรารู้ได้เรา เ, เขาาาาาาา้าใจได้สิ่งนี้แหละที่เรียกว่าความหลงความหลงอวิชชาความรุ่มหลงโมหะความรุ่มหลงเพราะหลงนั่นแหละทึงเป็นเหตุให้เราเกิดโธาสัไม่ไม่ขขทราบเห็นทราบผลเห็นไหมดูแต่ในช่างในช่างแก้วเลยรูเห็นรู้ผล ไม่รู้เหตุรู้ผลนี่ใช่จริงไหมแล้วก็ทํำลงไปการทำลงไปก็เป็นการสร้างกรรมเพิ่มเติมทาไมถึงไม่รู้เหตุรู้ผลก็นี่แหละโมหะนี่แหละเมือนกับเราดูไปแล้วที่มือมองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นขวานมองไม่เห็นน้ํำมองไม่เห็นว่าอะไรจะมาขึ้นมาแทนเจ้าของมันจะเป็นที่ลึกที่ตื้นเป็นที่หลงที่บ่ออะรู้ไม่เห็นแหละเมื่อเราเลยหลับหลับตายมองไม่เห็นอะไร น่ากลัวไหมน่ากลัวมากน้ากลัวทีเดียวอือคือความมืนโมหะคือความหลงราคะเกิดขึนเพราะอำนาจเพรความหลงความมืนความหลงอวิชชาทําไมละ่ะทําไมถึงราคะเนื่องจากว่าเราไม่ทราบสาเหตุต้นต่ อ, ต อ, ตอที่แท้จริงนั่นอีอเห็นว่าสวยเห็นว่างา หน้าละหน้าใคร่หน้าชอบใจเกิดความต้องหนักเกิดความยินดีตามมามีเรา acted, ่องดิสาเหตุต้นตอของมันถ้าเราพิจารณาและทราบสาเหตุต้นต่อชัดเข้าไปที่ในภายในจิตของเราละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปย้อนเข้าไปละเอียดเข้าไปย้อนเข้าไปละเอียดเข้าไปเราก็ทราบที่เกิดของมันทราบที่เกิดของมัมันยังไม่หมดพิษหมดเดียวก็ตามเมื่อเราทราบที่เกิดแล้ว เรารู้ที่เรารู้ที่มันเกิดเหมือนเราเหมือนอย่างเรารู้รู้จากช่องที่มันเกิดเหมือนเรารู้อย่างช่องที่มันจะรอดออกมาแล้วเราก็ไปคอยคอยปิดช่องของนั้นไม่ให้มันออกมาได้เมื่อเราไม่ให้มันออกมาได้เหมือนกับปิดรูน้ำแม่น้ำมันรั่วเพราะเราพราะเราปิดมันจะทะลักเข้ามาไม่ได้อ่เมื่อะลักเข้ามาไม่ได้ปักท่วมเราไม่ได้ราคะ ทับทั่วหัวใจของเราเขาบอกว่าจิตที่รักษาไม่ดีเหมือนเกลือนที่หมุนไม่ดีทําให้น้ำํำฝนรดลงเปียกื้นเจ้าของเปียกเจ้าของเกลือนที่หมุนไม่ดีผลจึงรดรั่วรับได้ฉันได้บุคคลที่เราไม่เราวังจิตไม่ดีไม่มีสติดีไม่มีสมรชญาดีไม่มีการคิด พี่นี่พิจารณาที่ดีความด้วยความคิดสอดแทกมาด้วยความจริงดีความพอใจความเอินตะกับอารมณ์ต่างๆนั้นสร้างสิ่งที่ทาให้เกิดความกําหนัดความจริงดีขึ้นมาจนไปเห็นเกิดกราัดจนไปเห็นเกิดโทสะขึ้นมาเรื่องนั้นเพราความรุ่มหลงเนี่ยกองไฟทั้งสามกองเนี่ยราคะทิดโทสะคิดโมหคิด ราสักพิสไฟคึนราค่ะโทสักพิสไฟคืนมัวตัโทสักมัวหักพิสไฟคืนโมค่ะยิงเป็นอย่างไรทำให้เราีตายเห็นลูปก็พอใจหูได้ยินเสียงก็พอใจเพื่อเกินตายเห็นลูปไม่พอใจไม่เพื่อเกิไม่ยินดีได้ยินเสียงไม่พอใจไม่เพื่อเกินไม่ดีทั้งพอใจครับไม่พอใจ คือมันแปลให้เราผิดแล้วมองหาแปลให้เราผิดแล้วไม่ใช่สัจจที่แท้จริงเป็นเหตุที่สร้างแท้ขึ้นมานั่นไม่ใช่เห็ุที่แท้จริงเป็นเหตุที่สร้างแท้ขึ้นมาแล้วเ ป, ลเป็นเหตุลหตผลที่สร้างแท้ขึ้นมาจิตมันก็แปลแปลไปตามเหตุผลที่ที่ให้ที่แปลมันผิดนั่นแหละอืเหมือนกับผู้ที่สร้สางเหตุสร้างผลมา แล้วก็ไปเล่าอีกคนหนึ่งให้ความไม่เห็นได้ผลถ้าเท็จขึ้นมาคนนั้นได้ยินได้ฟังออกคล่อยเชื่อไปตามคนนี้ล่าเพอได้เห็นได้ผลอีกแล้วก็ปลอยเชื่อไปอีภายนาจิตวณเรานึ่ก็เชื่อเดียวกันที่แต่ละชาติเรารู้ผิดสําคัญผิดเข้าใจผิดว่ามโนภาพผิดอิงเปรเลไ้เราเกิดราคะเกิดโทสะเกิดอิจฉาเกิดพิษยาเกิดยินดีเกิดความไม่ยินดีพอใจไม่พอใจ เป็นเหตุเป็นผลให้เราทำบาปบ้างเป็นเหตุเป็นผลให้เราทำบุญบ้างนี่แหละคือโลกสมมีิอยู่เป็นอยู่างนี้โทษอันนี้ผลอันนี้เป็นผลของเป็นเหตุผลของวัฏจักรเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเป็นโทษของวัฏักโทษของวัฏักวัฏการเรียนไหวแต่เกิดอยู่ในโลกในภูมิก็คือโทษอันนี้แหละหน่ากลันวน่ากลัวมาก คที่มีความมีความคิดแบบนี้ถ้าไม่ตั้งตั้งอกตั้งใจศึกษาพิจารณาศึกษาปฏิบัติตยธรรมอย่างจริงจังก็กล้ที่จะมารู้จะมาเข้าใจตรงนี้มาทุกทายาเข้าใจทุกทายาจบมีด็อกเตอร์มาตารย์เถมันไม่สามารถได้อย่างเลือกเพราะเขาคิว่าความนึกความคิดในใจของเขาไม่มีใครสามารถจะมารู้ได้มาเข้าใจได้ เขาจึงแกล้งผูกก็ได้ผิดบอกว่าถูกก็ได้ดีบอกว่าชั่วก็ได้เพื่อผลประยชน์ของตัวเองเพื่อผลตัวโยชน์ของตัวเองเราเห็นรีทย์เหียเห็นเล่นเห็นรย์เหียนเดของกิเลสไหมความเห็นแก่ตัวไม่รว่าสร้างบาปสร้างกรรมกับตัวเองที่เป็นสิที่น่ากลัวคือเ เราจะคาใจเรื่องเหล่านี้ได้โลกก็ทำต่างๆตั้งแต่นเนี้จะตกไปจากหัวใจของเราเราต้องตั้งใจภาวนาจิตได้ท่าความสงบความสงบภายในจิตเรามีสติกำกับจิตเราก็รู้ว่ามันเป็นประจักอย่างหนึ่งอยู่ภายในจิตอันนี้เราทราบด้วตัวของตัวเราจิตเราคิฟุง้งซ่านเราทราบภายในจิตของเรามีเป็นสักจจะหนึ่งกันนะไฟจะมีไฟ กิพาสมอกยับอารมณียกุปรบสัจจานึ่มอันนี้เป็นเหตุไ่ไฟมากมีเป็นเหตุไฟมากเมื่อเหตุายมากมีผลายมากก็ต้องมีเมื่อเหตุไฟสมุทัยมีผลไฟสมุทัยก็ต้องมีมันย้มันแยกมันแส้กันพเนจริตนั่นความสมบกเมื่อได้บควาสมุกสัจจะไปก็ย่อมปรากฏ ยอ่องประวรชชัดจิตของเราหนี่หมะ ก, กันนาหนิ่นิ่งก็ใสอิกขอาเราเรินี้น้องเริมสงบจิตขอาเราเริ่สใสใสแล้เมื่อมันสายขึ้นมาเราเห็นหน้าเราไดชัดอารมณ์เพียรเราประวชัดอารมณ์ดุเราเราก็รู้ชัดมีเราทราบที่ตัวตัวเราเราเหมืิตมาตรงนี้เราทำงานตรงนี้เราก็ข้าใจตรงนี้เข้าใจมากมากรูมก้มากมากลุกลามไปมากๆต่อตอน มุกเกับเลปัญหาทอาที่มันแทรกเข้ามาพายในติเตเขาเลยเตะเาเลยเตะ้เลยกลัลร ง, ร ง, งก็จะอ่อนไปปัญญาตอนนั้นธรรมะเรามีกลังขึ้นเพื่อเพิ่มขึ้นเก็เลยพิมข้เพื่อมีมมมมมมมกาลังขึ้นเพื่จนมีสิมีปัญญามีกลังแน่นแล้วมันขอสามารถทาอยู่มาได้กลาเป็นชั้นเป็นภเราฟังเรื่องตั้งแต่ฟาร่ร น, น เป็นกติตัวอย่างให้เราเข็บให้เราหลับให้เราหมุนปิด เ, เข้ามาศึกษามาพิจารณาตรงนี้ไม่งั้นเราก็หุห้นหัวมันเขาแหละปีจ่ายพลอยลยร่อนไปร่อนมาร่องไปร่อง ม, มาไม่มีที่จอดเท่าไหร่ิดเขาว่าผิดผมก็ว่าผิดบางทีรู้ว่าอย่างนี้แหลแปล้งพูดไปอย่างนั้นแปล้ทงทำอย่างนั้น รู้ว่าอย่างนั้นแกล้งพูดอย่างนี้แกล้งทอย่างนี้ทั้งหมดนี้คือคนคือบาตคือมายาสาัยของยีเลงตัณหาอาสะวะที่มันแสดงออกคือว่าไม่มใครรู้แต่ตัวมันเองมันเข้าหูตัวมันเองที่มันไปน ย, ยุยงจิตจิตดวงนั้นเองรู้รู้ปรอสาทแกล้นฝืนททั้งทงั้งที่แกล้งฝืนทเนี่ยมันก็มีโทษมีบาตมีกรรมน่ะ รู้อยู่ว่าผิดยังฝื้นฝืุทำรู้อยู่ว่าผิดยังฝืนมาหูกจะเห็นเป็นบากเปเก่าพระชาชนคนเรามาระวังค ว, ควรควศึกษาน้องผิดมาศึกษามาปฏิบัติธารตรงนี้ให้ใหริงจังแล้วควร